มีเรื่องเล่าว่าหญิงชราผู้หนึ่งเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องซึ่งอยู่บนเขาอีกลูกหนึ่งที่ น, น, นั่นไม่มีรถยนต์นะไม่มีถนนสำหรับรถยนต์ก็ต้องเดินเนาะเดินข้ามเขาระหว่างทางก็ผ่านลาห้วยสายหนึ่งแล้วก็หญิงชรานีก็สังเกตเห็นพลอย เม็ดหนึ่งเนี่ยอยู่ในลำห้วยรอกว่าเป็นพอยเม็ดใหญ่เลยทีเดียวหญิงชะลาก็เก็บใส่ย่ามแล้วก็เดินทางต่อไปเดินไปพักใหญ่ก็เจอคนแปลกหน้าท่าทางเนี่ยหิวโหวยหญิงชะลาก็เลย ให้อาหารกับชายแปลกหน้าคนนี้ตอนที่เปิดถุงย่ามเนี่ยเพื่อที่จะเอาอาหารให้กับคนแปลกหน้าเนี่ยชายหนุ่มก็เห็นพลอยเนะม็ดงามเลยอยู่ในย่ามก็เลยเอ่ยปากขอดื้อเลยนะขอได้ไหมพลอยพลอยเม็ดเนี่ย เพราะวญิงชลานี้ให้โดยที่ไม่ลังเลเลยนะหยิบให้ไปเลยวิชาหนุ่มดีใจมากนะเพราะว่ารอยเม็ดนี้เนี่ยราคาแพงมากนะถ้าขายนี้ก็เรียกว่าอยู่ได้หลายปีเลยทีเดียวแต่ว่าสองสมวันต่อมาชาหนุ่มคนนี้ก็ ดันดนมาหาหญิงชราไม่ใช่มาขออะไรเพิ่มนะแต่ตั้งใจจะมาคืนพลอยเม็ดนี้ <_ c oughs> แกก็บอกหญิงชราว่าเนี่ยผมกลับไปแล้วก็คิดดูนะคิดใครกลัว ด, ดูก็ก็รู้อยู่นะว่า รอยเม็ดนี่นมันมีราคามากแต่ผมมาคิดค่ควรดีแล้วผมก็อยากจะคืนนะเพราะผมอยากได้อะไรที่มีคาม่คากวา่ว า, วานั้นสิ่งนั้นก็คืออะไรบางอย่างในใจของป้าเนี่ยนะที่ทำให้ป้าเนี่ย เต็มใจให้พลอยเมตนี้กับผมเนี่ยโดยไม่ลังเลใจเลยผมอยากได้สิ่งนั้นน่ะปาให้ผมได้ไหมสิ่งนั้นคืออะไรนะสิ่งนั้นเนี่ยมันก็คือเมตตาจิต จิต ท, ที่คิดจะให้้วไม่ใช่แค่เมตตาจิตนะควบคู่กันไปคือความไม่ยุดติดนะในพลอย้วพลอยมีค่าก็จริงแต่ว่าคุณป้านย่งไม่ยุดติดเลยชายหนุ่มแปลกหน้าอยากจะได้ก็ยื่นให้ไปเลย ไอการที่ป้าเนี่ยไม่มีความยึดติดในพลอยเม็ดนี้หรือว่าในทรัพย์สมบัติอื่นๆที่มีค่าเนี่ยมันก็หมายความว่าคุณป้าเนี่ยแกมีความรุ่มรวยในจิตใจอยู่แล้วนะความรุ่มรวยที่ทำให้ไม่รู้สึกรู้สึกยากไร้ไม่ได้รู้สึกว่า รอยเม็ดนี้นี่จะมาเติมเต็มจิตใจของคุณป้าด้เลยเพราะว่าเต็มอยู่แล้วเป็นจิตที่ไม่รุ่มร้อนด้วยความโลภหรือความอยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีความหวงแหนติดยึดในในพลอยหรือว่าในทรัพย์ที่มีค่าอันนี้จะว่าเป็นก็เป็นสาระนะเป็นสาระหรือว่าเป็น นะแกนทรรมของคุณธรรมเนี่ยที่ทางพุทธศาสนานี่หรือว่าศาสนานอื่นๆนี่ก็ให้ความสำคัญมากความไม่ยึดติดในทรัพย์ความไม่ยึดติดในสิ่งเศษนะหรือว่าทรัพย์สมบัติซึ่ง ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนสมัยใหม่จํานวนมากเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าไอการไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติเนี่ยมันดีตรงไหนหรือผู้อานก็คือว่าหรือผู้เรียนทางตรงข้ามคือว่าไอการยึดติดในทรัพย์สมบัติหรือวัตถุเนี่ยมันเสียหายตรงไหนเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีวัตถุสิ่งเสพจํานวนมากนะที่ผู้คน ปรารถนาแล้วก็ต้องการสะสมให้มีความเรียกว่าร่ำรวยในเรื่องของทรัพย์สมบัติพอดินคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์ว่าอย่าไปยึดติดในทรัพย์สมบัติหรือวัตถุสิ่งเสพเนี่ยคนจนวนมากก็ไม่เข้าใจเนี่ยว่าคนรุ่นใหม่ก็เห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ใช่หรือ แต่ว่าถ้าใครคุณดีๆนะก็จะพบว่าความยึดติดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นที่หมายความทุกขนะ์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ว่าจะได้ทรัพย์หรือว่าได้เงินทองมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้จักพอนี่มันเป็นธรรมชาติของใจคนเรานะ เพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะได้ทรัพย์สมบัติมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เคยรู้สึกเต็มอิ่มหรือมีความสุขอย่างแท้จริงคนาม่เรียกว่าคนส่วนใหญ่ก็ว่าได้ได้ล้านเนี่ยก็ไม่เคยพอใจอยากได้10ล้านคนได้10ล้านก็ไม่เคยพอใจอยากได้1้อยล้าน สังเกตได้คนที่ถูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงเนี่ยทั้งที่บางทีได้มา40 50 60ล้านหรือบางทีได้มาร้อยล้านเนี่ยส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนเลยนะไม่เคยเลิกซื้อเลยนะก็ยังซื้อต่อไปลอตเตอรี่เพราะหวังจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครั้งต่อต่อไปงวดต่อต่อไปอีกแต่ว่าแปลว่ายังไม่พอไม่พอแสดงว่ายังไม่มีความสุข เต็มอิ่มเพราะถ้าสุกเต็มอิ่มแล้วเนี่ยนะมันมันก็จะรู้จึกรู้สักรู้จักพอเหมือนคนเราเวลากินข้าวอิ่มนีกินข้าวอิ่มมันก็ไม่อยากกินอีกแล้วมีของอร่อยวางอยู่ข้างหน้ายัางไงก็ไม่สนใจแล้วเพราะมันอิ่มแล้วแต่ถ้าหากว่ายังอยากกินอีกก็แสดงว่ายังไม่อิ่มซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากที่เวลาได้ทราบสมบัติ ได้แล้วก็อาจจะดีใจชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็สุดท้ายก็อยากได้อีกยิ่งยึดติดในซ้าเนี่ยมันก็ยิ่งอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยรู้จักพอสักทีและยิ่งคนเราเนี่ยมีนิสัยชอบเปรียบเทียบนะไอ้ น, นิสัยชอบเปรียบเทียบนี่มันทำให้คนเราเนี่ยหาความสุขได้ยาก แม้จะได้มากนะแต่เห็นคนอื่นเขาได้มากกว่าไอ้ที่เคยดีใจก็กลายเป็นเสียใจเลยอย่างคนที่ได้โบนัสหนึล้านบาทหรือแม้แต่10ล้านบาทเนี่ยไอ้ตอนที่รู้ข่าวก็ดีใจนะแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาได้20ล้านหรือว่าได้12ล้านเนี่ยมากกว่าเราสองล้าน หรือว่ามากกว่าเราสิบล้านนี่ไอ้ที่เคยดีใจนี่เป็นกลายเป็นเสียใจไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการที่มีนิสัยชอบเปรียบเทียมก็เลยไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีไม่เคยยินดีสิ่งที่ได้เมื่อเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าแต่ถ้าคนที่เขาไม่จุนในทรัพย์สมบัติในเงินทองเนี่ยใครได้มากกว่าเขาก็ไม่สนใจและ ที่เขาได้เขาก็พอใจแล้วแม้ว่าจํานวนนะเงินอาจจะไม่มากแต่เขาก็พอใจแล้วไม่ได้ต้องการมากหรือเพิ่มขึ้นใครจะมีมากกว่าเขาเขาก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอิจฉาเลยเลยไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยก็ได้เวลาเอาของไปแจกชาวบ้านเนี่ยนะ ชาบ้านก็ดีใจนะได้เพราะผมคนละผืนคนละผืนแต่ถ้ารู้ว่าอีกคนหนึ่งหรือคนอื่นได้2อผืนนะเป็นเรื่องเลยนะก็จะเกิดความไม่พอใจอาจจะไม่พอใจคนแจกหรือไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันเพราะความอิจฉากันอันนี้เพราะว่าความไม่รู้จักพอผสมกับการที่ชอบเปรียบเทียบ คือ น, นี้ยจากธรรมชาติจิตใจควรเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยธรรมชาติของความสุขจากทรัพย์หรือจากสิ่งเสพเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันคือว่ามันมาเร็วแต่มันก็ไปเร็วไอ้ความสุขจากสิ่งเสพเนี่ยหรือจากการได้ทรัพย์เนี่ยนะโอ้ได้ปุ๊บนี่หรือเสพปุ๊บนี่สุขปั๊บเลยอาหารอร่อยกินปุ๊บเดียวแค่คำแรกก็อร่อยแล้วมีความสุขแล้วได้ทรัพย์ได้สินค้า แม้จะซื้อด้วยเงินนะก็ดีใจนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าโทรศัพท์แต่ว่าความสุขเนี่ยมันแบบนี้มันมาเร็วไปเร็วผ่านไปวันสองวันก็รู้สึกเฉยแล้วเสื้อผ้ารองเท้าโทรศัพท์นะได้มาก็ดีใจแต่ก็ดีใจแค่สองสามวันไม่กี่วันหลังจากนั้นก็เฉยเฉยแล้ว ทังที่ของก็ยังดีและบางทียังไม่ทันได้ใช้เลยอยากได้ใหม่เสื้อผ้าบางทีไม่ใส่เลยนะแต่พอซื้อไปสักสี่้าวันก็เฉยๆแล้วอยากได้ตัวใหม่นะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะอัญมณีเพชรรถยนต์เนี่ยตอนที่ได้ใหม่ๆก็ดีใจนะแต่ผ่านไปไม่กี่วันผ่านไป2อสามอาทิตย์ผ่านไป2อสเดือน เฉยล้อยากได้ใหม่เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจคนที่มีรถซูปเปอร์คาร์ราคา20ล้านเนี่ยบางคนนี่มีตั้ง10คันนะทำไมมีคันเดียวไม่พอส่วนหนึ่งก็เกิดจากความไม่รู้จักพออีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ความสุขที่ได้จากรถมันประเดียวประดาวพอความสุขมันจางหายไปก็อยากได้สุข อย่างเดิมกลับมาใหม่หรือเกิดขึ้นก็เลยต้องไปซื้อต้องไปหามาอีกคันหนึ่งได้คันที่สองแล้วก็ยังยังไม่อิ่มเอ็นก็ต้องคันที่สามคันที่สี่บางทีถ้ามีปัญญาหามาหาได้ก็มีต้องสิคันเสร็จแล้วก็ต้องเป็นภาระในการรักษากลัวคนจะมาขโมยนะต้อง สร้างกำแพงติดกล้องวงจรปิดอย่างแน่นหนาก็กลายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งคนที่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ว่าสลากกินรวบสลากกินแบงเนี่ยเาพบว่าความสุขที่เกิดจากการได้โชคได้ลาบเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน6เดือนนะตอนที่พบว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยความสุขหรือความดีใจมันก็พุ่งปรีดเลย แต่ผ่านไปไม่ถึงหกเดือนระดับความสุขก็ลดตกลงมาจนเท่าๆกับตอนก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่ในเวลาไม่เกินหกเดือนความสุขมันก็จะลดลงทั้งที่เงินก็ยังเท่าเดิมนะเงินก็ยังมีอยู่แต่ว่าความสุขมาลดลงอันนี้เรียกว่าความสุขที่เกิดจากทรัพย์นี่มันมาเร็วไปเร็ว นอกจนี้นนวัตถุสิ่งเสพเนี่ยมันก็มีธรรมชาติอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามันเป็นของที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแย่งกันใครๆก็อยากได้ก็ต้องแย่งกันแย่งกันก็ต้องเกิดการดิ้นรนขนขวายบางทีก็ต้องมีการต่อสู้แย่งชิงกันแม้จะมีเงินซื้อนะแต่ว่าของมีจำกัดก็ต้องเข้าคิวยาว จะซื้อ iPhone รุ่นใหม่นี่บางทีต้องเข้าคิวกันตั้งแต่เที่ยงคืนสีทุ่มเพราะว่าใครๆก็อยากได้แต่ว่าของมีจำกัดของมีจำกัดไม่พอนะมันเป็นสิงที่แย่งชิงกันได้ขโมยกันได้ก็ต้องหาทางปกป้องรักษาแต่ไม่ว่าจะปกป้องรักษาไยงของเหล่านี้เนี่ยมันก็มีธรรมชาติอย่างนึงก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ อะไรที่เรามีถ้ามันมันเที่ยงนะมันเป็นนิจจังนะมันไม่เสื่อมนะโอ้ความสุขมันก็ยั่งยืนนะแต่ว่าเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยมันมีวันเสื่อมมันสลายก็เลยเกิดความทุกข์ถ้าเกิดยึดติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ตามที่เรายึดติดเนี่ยถ้ามันไม่เที่ยงมันไม่คงทนเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าความทุกข์รออยู่ข้างหน้า มไม่ใช่แค่สิ่งของทรัพย์สมบัติอย่างเดียวคนรักอำนาจชื่อเสียงพวกนี้มันล้นไม่เที่ยงทนั้นให้ความสุขเนี่ยจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าว่ามันเที่ยงมันก็น่า ย, ยึดนะแต่เพราะมันไม่เทียเ่ยงไงก็หมายความว่าถ้ายึดไปยึดมันถือมามากเท่าไหร่พอมันเสื่อมพอมันเสียพอมันหายไปก็เกิดความทุกข์แล้วนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นกับผู้คนทั้งหลายทุกพรสูญเสียของรักรวมทั้งคนรักด้วยเป็นพระท่านก็เลยสอนนะว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์แต่ว่าก็มีข้อจํากัดนะมันให้ความสุขแต่มันก็เจอไปได้วยทุกขนะ์พระเจ้าปเปรียบเหมือนกับว่า แสงสว่างที่เกิดจากเกิดจากใตนะ้ที่ทำด้วยยาแห้งจุดนะจุดพอจุดไฟเนี่ยมันก็ให้แสงสว่างแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยควันซึ่งทําให้เกิดความระคายเคืองแสงสว่างก็เปลี่ยบเหมือนกับความสุขที่ได้จากวัตถุสิ่งเเสืส่วนควันที่สร้างความระคายเคืองมันก็เปลี่ยบเหมือนกับความทุกข์ที่เกิดจาก วัตถุเหล่านั้นเดือพที่เกิดจากความยึดติดถือมัน่นไอ้ใต้ที่ถือเนี่ยนะถ้าหากว่าถือไปเรื่อยๆไม่วางไม่ปล่อยไม่นานไฟมันก็จะไหม้มันก็จะลวกมือเพราะฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะใช้มันเพียงเพื่อทำให้เห็นแสงสว่างแต่ว่าก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวาง นี่ถาว่าจะปล่อยจะ ว, วางอย่างไรนะปล่อยวางนี่สมัยนปล่อยวางที่ใจนะอาจจะเกี่ยวข้องกับมันแต่ว่าใจนี่ไม่ยึดติดถือมัน่นอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ท่านก็ก็ยังใช้ปัจจัยสียังมีจีวรยังมีบาทไม่ใช่ว่าสลัดหรือทิ้งไปอย่างพวกฤาษีหรือพวกชีปเปลือยนะ บางลัดชีในประเทศอินเดียนี่พวกนี้เขาไม่ใส่เสื้อไม่มีเสื้อผ้าเลยเพราะเขาบอกเขาปล่อยวางแล้วเขาไม่ยึดติดแล้วแต่พุทธศาสนาเนี่ยมองว่าเนี่ยไม่ยึดติดแต่ยังเกี่ยวข้องกับมันได้เพียงแต่ว่าใช้มันโดยที่ไม่ปล่อยให้มันมาเป็นนายของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไปยึดติดถือมั่นนะว่าเป็นของเราของเรานะเราเป็นของมันทันทีเลย อันนี้มันเป็นเป็นเป็นความเหมือนกับธรรมชาติมันเล่นตลกกับเราอะไรก็ตามที่เรายึดติดว่าเป็นของเราเรากลายเป็นของมันทันทีถ้าเรายึดว่างเงินเป็นของเราเราเป็นของมันทันทียอมเหนื่อยยอมยากเพื่อมันบางทียอมละทิ้งลูกหลานพ่อแม่ก็เพื่อมัน ยอมเจ็บยอมป่วยก็เพื่อมันถูกคนมามาจี้เพื่อจะเอาสร้อยเอาคอเอาสร้อยเอาเพชรบางคนนี่หวงแหนสร้อยเพชรมากหวงแหนเงินมากยอมตายเพื่อรักษามันเอาไว้ไม่ยอมให้ไม่ยอมสละสิ่งนั้นไปแต่ยอมตายถ้ายอมตายเพื่อมันก็แสดงว่าเราเป็นของมันนะ บางคนก็ยอมทำชั่วก็เพื่อมันยอมผิดศีลยอมคดโกงก็เพื่อมันบางทียอมทำร้ายพี่น้องเพื่อฮุกมรดกก็เพื่อมันถ้าเรายอมทำชั่วเพื่อมันนี่ก็แสดงว่าเราเป็นของมันนะไม่ใช่มันเป็นของเราบางคนนี่ รักรถมากนะยึดว่ารถเป็นของเราพอลูกตัวเล็กๆเนี่ยมาขีดข่วนนะตัวถังเนี่ยโอยพ่อโกรธมากเลยฟาดลูกกระนาตีลูกอย่างแรงจนลูกเด้งเลยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้รถไม่ได้เป็นของเราเราเป็นของรถใครมาทำให้รถเราเสียหายเนี่ยเราต้องต้องจัดการ ลงโทษด้วยความโกรธด้วยความลืมตัวนี่ถ้าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เพราะเราเห็นโทษของมันการที่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในทรัพสมบัตินี่เพราะหนึ่งเราเห็นโทษของมันเห็นว่าสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวมาเร็วไปเร็วแล้วเจอไปด้วยโทษถ้าไม่เห็นโทษนะมันก็ไม่เห็นความจําเป็นต้องละความยึดมั่นถือมั่น อันนี้พอเห็นโทษแล้วเนี่ยมันไม่พอนะเพราะว่าการเห็นโทษเนี่ยมันแค่เห็นในระดับหัวในระดับเหตุผลแต่ใจเนี่ยอาจจะยังไม่คล้อยตามหัวสมองบอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทราบสมบัตินี้นะมันเจอไปได้วยโทษแม้มันจะให้ความสุขแต่ใจมันยังหวงอยู่ก็ต้องฝึกนะฝึกใจให้ให้ใหคล้อยตามด้วย ไดฝึกด้วยการให้ทานนะด้วยการสลักที่พู้เจ้าสอนเรื่องการให้ทานเป็นเบื้องต้นเนี่ยรวมทั้งขยันให้ทานโดยถือว่าเป็นบุญกุศลเนี่ยเหตุผลสำคัญก็เพื่อลดความยึดมั่นถือมั่นท่านใช้คำว่าลดความตนหนีเราให้ทานเนี่ยนอกจากเพื่อ ประโยชน์ของผู้ที่รับทานนั้นแล้วก็ยังมุ่งที่ประโยชน์ทางจิตใจคือลดความตนันหนีลดความยึดติดถือมัน่นยิ่งห้มาเท่าไหร่ความยึดติดถือมั่นก็จะน้อยลงอันนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเรายึดติดถือมั่นน้อยเราก็จะมีความทุกข์น้อยจิตใจก็จะเป็นอิสระมากขึ้นการเดียวกันก็ตื่นใจอยู่เสมอนะว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมัน มันมีนของไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราวรูอถึงอันนี้จังอยู่เสมอมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงโทรศัพท์มือถือรถยนต์พวกนี้มันก็ไม่เที่ยงมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวมันไม่ใช่ของเราเราแค่หยิบยืมมามาใช้ถึงเวลาเราก็ต้องคืนให้ธรรมชาติไปการเตือนใจแบบนี้ก็ทำให้เวลามัน เกิดเสื่อมเกิดสลายเกิดหายไปเราก็จะไม่ตี อ, อกชกหัวไม่โวยวายตีโพยตีพายมากมันไม่ได้เป็นประโยชน์บใครเป็ียวกับเราการรลิถึงความตายก็ช่วยได้นะเลิกถึงความตายอาพอตายไปแล้วอะไรทั้งหมดที่มีก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเราจะไปสะสมมากมายทําไมกันไอ้ที่มีก็รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์แบ่งปันให้ทาน มันก็ช่วยทาให้คลายความยึดมั่นถือมันและที่สำคัญอย่างนึ่งคือการที่เรารู้จักเข้าถึงความสุขที่ประนีตกว่าความสุขจากทรัพย์ไอความสุขจากทรัพย์หรือความสุขจากสิ่งเสนเนี่ยเราเรียกว่าการมาสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการได้เสพได้ปลนเปลืปลทางตาหูจมูกลิ้นกายคนเราเนี่ยถาว่ายังไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่า กามสุขเนี่ยมันก็ยัง ย, ยงยึดติดในการมาสุขก็ยังยึดติดในในวัตถุสิ่งเสพและทรัพย์สมบัติเนีไอความสุขที่ประณีตเนี่ยกว่าการมาสุขเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนีความสุขจากการที่ได้ทําสิ่งดีๆความสุขจากการทำํำในสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่น่าภาคภูมิใจมันก็เป็นความสุขนะที่ช่วยทําให้เราจางคลาย ในรสชาติของการมาสุขได้แม้แต่การใ่รู้ใยทำเนี่ยคนที่ใ่รู้นักเรียนที่ใ่รู้ขยันเรียนเนี่ยมีความสุขกับการเรียนมีความสุขกับการค้นคว้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงไหลในความสนุกสนานหรือในสิ่งเสพเท่าไหร่เกมออนไลน์เนี่ยจะมีความหมายต่อเด็กเหล่านี้น้อย เพราะว่าเขามีความสุขอยู่แล้วเขาได้รับความสุขอยู่แล้วนะจากการเรียนรู้เด็กเหล่าเนี้ยเขาจะไม่ไปชอบเที่ยวชอปปิ้งหรือไปเที่ยวกินโน่นกินนี่เพราะว่าเขามีความสุขจากสิ่งที่ดีกว่าหลอเลี้ยงใจอยู่แล้วธรรมชาติคองเราต้องการความสุขนะถ้าเราไม่ได้ความสุขที่ปัจจุบันนี้เราก็ไปหาความสุขอย่างหยาบคนที่ไม่ได้รับความสุข จากครอบครัวที่อบอุ่นก็ไปหาความสุขจากยาเสพติดหรือว่าจากการไปก่อความวุ่นวายเก่งเมล็ดเกเรซึ่งเป็นความสุขอย่างหยากแต่พอเราได้ความสุขที่ประณีตเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราหลงไหลในความสุขที่หยาบ น, น้อยลง คนที่ขยันทำงานมีความสุขจากการทำงานเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ความสำคัญกับเงินทองมากการที่จะไปคอร์รัปชันเพื่อที่จะได้มีเงินไปซื้ออะไร่าป่นเปิดอตนก็น้อยเพราะเขามีความสุขจากการทำงานอยู่แล้วหรือความสุขจากการที่ได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นมันก็ทำให้ใคลายความยึดติดในสิ่งเสษ ยิ่งความสุขจากสมาธิภาวนาหรือความสงบในใจเนี่ยมันยิ่งทําใหนะ้อันหลังให้กับความสุขจากสิ่งเสพได้เลยอย่างครูบาจาหรือพระที่ท่านพบกับความสงบในจิตใจเนี่ยจากการทํากรรมฐานเนี่ยนะเพียงแค่บริฐาน8นะท่านก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะคนบางคนสงสยัยว่าพระอยู่ได้ยังไงนะหลวงพ่อหลวงตาท่าน ไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ทำไมท่านอยู่ได้ก็เพราะ ถ, ถ้ามีความสุขจากสมาธิภาวนาก็เลยใจก็เลยไม่ตกเป็นท่าของวัตถุสิ่งเสพจิตใจมันปล่อยมันวางในวัตถุในทรัพย์เองเพราะว่าได้พบสิ่งที่ประเสริฐกว่างั้นถ้าเกว่าเราพยายามที่จะเข้าถึงความสุงที่ปรญญีเริ่มจากความสูขจากการทำสิ่งที่ดีนะายรู้ใย ไปทำขยันทํางานมีความสุขการทํางานมีชันทะในการทํางานอันนี้ก็ถือว่าเรามีของดีนะที่ช่วยทำให้จิตใจเราเป็นอิสระจากวัตถุสิ่งเสพได้มากขึ้นและยิ่งสามารถจะเข้าถึงความสงบภายในสงบจากกิเลสสงบจากสิ่งร่เราย่ยอหยวนภายในก็ยิ่งทําให้วัตถุสิ่งเสพเนี่ยมันมีความหมาย หรือแรงดึงดูดต่อจิตใจเราน้อยลงเราก็สามารถจะเป็นอิสระนะจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าความยึดติดถือมั่นในสิ่งนั้นก็จะค่อยๆ ค, คลายไปเองแม้จะยังมีอยู่แต่ก็ไม่อยู่ในระดับที่จะเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นโทษต่ตอชีวิตจิตใจ